มีเด็กนักเรียนนะรู้สึกจะอยู่ชั้นประถมนะกำลังเรียนวิชาเล ข, ขคณิตครูสอนสักพักแล้วก็เรียกนักเรียนคนหนึ่งลุกขึ้นเป็นเด็กผู้หญิงท่าทางเรียบร้อยสุภาพแล้วก็ฉลาดนะแล้วครูก็ถามนักเรียนคนนี้ว่าเนี่ย ครูให้แอปเปิ้ลเธอสองลูกแล้วต่อมาให้อีกสองลูกเธอจะมีแอปเปิ้ลกี่ลูกเด็กตอบว่าห้าค่ะแล้วครูก็งงนะเพราะว่าโจทย์มันง่ายแล้วก็เด็กคนนี้ฉลาดถามใหม่นะครูให้แอปเปิ้ลสองลูกแล้วให้เธออีกสองลูกตกลงเธอ มีแอปเปิลกี่ลูกเด็กตอบห้าค่ะแล้วครูก็เริ่มจะไม่พอใจแล้วนะครูสอนมาเหนื่อยทำไมตอบแบบนี้ถามใหม่ครูให้แอปเปิลเธอสองลูกแล้วตหลงให้อีกสองลูกตกลงเธอมีแอปเปิลกี่ลูกห้าค่ะ เดี๋ยวก็ยังยืนยันนะว่าเป็น5่านี่ครูถามใหม่ครูให้ส้มเธอสองลูกแล้วให้เธออีกสองลูกโตลงเธอมีส้มอยู่กี่ลูกสี่ค่ะงั้นครูก็เริ่มิ้มแล้วเออค่อยยังชั่วเอางั้นกลับไปที่คาถามเดิมครูให้แอปเปิลเธอสองลูกแล้วให้อีกสองลูก โรงเธอมีแอปเปิลกี่ลูกห้าค่ะครูชักไม่พอใจแล้วมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะพยายามช่วยเด็กนะตอนนี้เอาแอปเปิลมาเลยครูเนี่ยเอาแอปเปิลสองลูกนะมาให้เด็กถือแล้วให้อีกสองลูกนะให้เด็กถือทั้งสองมือเลยนะ ชัดๆขนาดนี้แล้วถามว่าเนี่ยโตงเธอมีแอปเปิลกี่ลูกเด็กตอบห้าค่ะครนี้ครูโมโหเลยนะมันเห็นชัดๆนะสองมือของเด็กเนี่ยนะมันมีสี่ลูกเนี่ยเด็กยังตอบยห้ยครูรู้สึกว่าเด็กคนนี้ตั้งใจกวนนะตั้งใจกวนครู ทีแรกนะพอให้สม้มสองครั้งครั้งละสองก็บอกสี่แต่พอแอปเปิ้ลให้สองครั้งกับบอกห้าครูโมโหมากผิดหวังในตัวเด็กคนนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าเด็กเนี่ยแกล้งครูเห็นว่าครูนี่โง่งไงเพราะว่าเด็กนักเรียนในห้องก็หัวเราะใหญ่เลยไม่รู้หัวเราะเด็กหรู้ว่าลอดด้าลอครูครูก็เลย ดยิกเลยนะหยิกที่แขนของเด็กคนเนี้เมื่อเด็กก็ปวดนะก็ร้องเนะมื่อเด็กก็ยืนยันว่าห้าจริงๆนะแล้วเด็กเนี่ยบอกว่าเนี่แล้วเด็กก็ไปเอามือล้วงไปที่กระเป๋านะแล้วก็หยิบแอปเปิลมาลูกหนึ่งก็เป็นห้าไง ครูถามเด็กว่าครูให้สองลูกแล้วให้เปิลสองลูกแล้วให้เธออีกสองลูกตกลงเธอมีแอปเปิลกี่ลูกไอ้เด็กก็พาซื้อนะเพราะว่ามีอยู่แล้วลูกหนึ่งเนี่ยในกระเป๋าเพราะนั้นได้มามีอยู่แล้วหนึ่งได้มาสี่ก็ห้าไงเด็กตอบถูกแต่ครูคิดว่าผิดนะแล้วก็ลงโทษเด็กไปเรียบร้อยแล้วนะ เออมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครูเนี่ยนะถามเด็กว่าตกลงเธอมีแอปเปิลกี่ลูกนะเด็กก็ตอบพาซอนะมีแล้วหนึ่งได้มาสี่ก็ห้าเนี่ยแต่ครูเนี่ยก็คิดแต่เพียงว่าสองบวกสองคือสี่น้นพอเด็กตอบห้านี่ก็ไม่พอใจ จริงๆต้องครูลองถามเด็กทั้งหน่อยนะว่าทำไมเธอถึงตอบว่าห้าครูอาจะรู้คาตอบนะก็เพราะเด็กก็จะตอบก็หนูมีแล้อยู่หนึ่งไงแต่ครูไม่ถามว่าทําไมเธอถึงตอบว่าห้านะเพราะครูเชื่อว่ า, วาเนี่ยคําตอบที่ถูกต้องคือสี่พอเชื่อว่าถูกความถูกต้องคาํตงคาตอบที่ถูกต้องคือสี่เด็กตอบห้าเนี่เด็กนี่ถ้าไม่โง่ก็แกลง้งแกล้งโง่ แต่ถ้าครูลองถามทั้งหน่อยนะทำไมเธอตอบว่าห้าเด็กก็จะชี้แจงแล้วครูก็จะเข้าใจเพราะคําถามของครูเนี่ยถามว่าตกลงเธอมีแอปเปิลกี่ลูกนะถ้าครูถามเด็กว่าสองบวกสองเป็นเท่าไหร่เด็กก็ตอบได้ว่าคือสี่นะแต่พอถามเด็กว่าเธอมีแอปเปิลกี่ลูกเด็กก็ตอบผาซื้อนะว่าห้าเนี่ยเพราะมีแล้วหนึ่งนะ เรื่องนี้มันก็ยังชีอเห็นนะว่าไอโจ์เลขคณิตเนี่ยหรือคณิตศาสตร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมันไม่ค่อยสอดคล้งองความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะโจทย์คณิตศาสตร์นี่เขาก็พยายามตัดตัวแปรตัวอื่นทิ้งในเวลาถามว่าเด็กมีแอปเปิลกี่ลูกนี่ก็สมมุติเอาไว้หรือทึกท่าไว้ก่อนว่าเด็กไม่มีแอปเปิลอยู่ในมือเลยนะ ในเวลาครูถามเด็กเนี่ยไอโจ์นี่มันก็มีสมมติฐานอยู่ว่าเนี่ยเด็กไม่มีแอปเปิลอยู่เลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเด็กมีอยู่หนึ่งลูกนะโจคณิตศาสตร์เนี่ ย, ยมันก็ช่วยทำให้คนมีปัญญานะแต่ว่ามันก็เป็นโจทย์ที่ตัดตัวแปรตัวอื่น ทำให้มันง่ายนะแต่นรกของความเป็นจริงมันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะมันมีตัวแปรเยอะนะอย่างเนี้ยถามว่าเนี่ยสมมุติมีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งว่าเนี่ยคนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยติดหลอดไฟเนี่ยใช้เวลาหนึ่งนาทีติดหลอดไฟนะถ้าสองคนเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะถ้าตอบแบบบรรยักายางก็ตอบว่าใช้เวลา สามสิบวินาทีเพราะหนึ่งคนเนี่ยใช้เวลาหนึ่งนาทีใช่ไหมหกสิบวินาทีสองคนก็เอาสองหารมันก็สามสิบแล้วถ้าสิบคนล่ะหนึ่งคนใช้เวลาหกสิบวินาทีหรือหนึ่งนาทีในการติดหลอดไฟถ้าสิบคนก็จะใช้เวลาเท่าไหร่คําตอบมัจติยังคือว่าหกวินาทีแต่ความเป็นจริงมันไม่ใหญ่า ง, งันใช่ไหม คนหนึ่งใช้เวลาติดหลอดไฟเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยนะสองคนอาจจะใช้เวลาห้าสิบวินาทีก็ได้เพราะว่าไอการติดหลอดไฟเนี่ยถ้ามีติดให้สะดวกเนี่ยมันต้องติดคนเดียวนะมีสองคนมาอาจจะทําให้ช่วยได้นิดหน่อยนะแล้วถ้าหากว่ามีคนสิบคนเนี่ยมาช่วยกันติดหลอดไฟเนี่ย อาจจะยิ่งวุ่นวายครับพี่ใหญ่พราติดหลอดไฟมันต้องติดคนเดียวมันถึงจะสะดวกแต่ตามประยัดระยะเนี่ยนะสิบคนเนี่ยติดหลอดไฟก็ใช้เวลาเพียงแค่หกวินาทีถ้าว่าหนึ่งคนติดหลอดไฟใช้เวลาหนึ่งนาทีนะหรือเหมือนกับมีโจ้ ว, ว่าเนี่ยคนคนหนึ่งนะประกอบเก้าอี้หนึ่งตัวใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ถ้าสองคนเนี่ยประกอบเก้าอี้ช่วยกันจะใช้เวลาเท่าไหร่มันอาจจะไม่ใช่สามสิบนาทีก็ได้มันอาจจะสี่สิบห้าสิบนาทีก็ได้นะหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าทะเลาะ ก, กันนะด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันมันซับซ้อนมันไม่มันไม่ง่ายเหมือนโลกของวิชาเลขคณิตนะหรือว่ามันจะตติย่างนะก็กลับมาที่คำอ่า โจทย์ที่ครูถามเด็กกันนะสิ่งที่ครูถามเด็กเนี่ยนะนะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในความผิดของครูนะว่าเด็กไม่มีแอปเปิลอยู่ในมือเลยนะแต่ว่าเด็กเนี่ยจริงๆเขามีเพราะฉะนั้นคำตอบเขาเนี่ยก็เลยตอบไม่เหมือนครูและจะว่าเขาผิดก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขา ตกลงเขามีห้าลูกจริงๆไอ้เรื่องนี้มันก็ชี้เห็นได้นะว่าบางทีโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยหรือว่าโจทย์ที่เราถามเด็กเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะมอาจจะไม่ตรงความเป็นจริงก็ได้เพราะความเป็นจริงเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะมากกว่าจะใช้บัญญัติยางก็ไม่ได้เมือ่องที่เรามีประสบการณ์ว่าเนี่ย มีเงินสิบบาทได้เงินสิบบาทมีความสุขสมมุติความสุขนิดหนึ่งหนึ่งขีดถ้าร้อยบาทความสุขก็น่าจะเป็นสิบขีดถ้าพันบาทความสุขก็น่าจะเป็นร้อยขีดแต่ความเป็นจริงเนี่ยมีมากไม่ได้แปลว่าสุขมากเสมอไปนะมีมากอาจจะไม่ได้สุขมากเท่าไหร่ก็ได้เหมือนของถูรัตเตอร์เล่เนี่ยนะ โอได้เงินมาเป็นล้านนะแต่ว่าไม่มีความสุขอะ่ะไอตอนได้เงินร้อยบาทมีความสุขกว่าด้วยซ้ำนะหรือมีความสุขกว่าถ้าได้พันบาทแต่พอได้ล้านบาทนี่มันไม่สุขเป็นร้อยเท่าพันเท่าตามมันจะต่ายางแล้วบางทีอาจจะสุขแค่เพิ่มขึ้นแค่สองเท่าหรืออาจจะทุกข์ก็ได้เพราะเครียดว่าจะจัดการกับเงินล้านยังไงบ้างมันก็แปลมันก็แปลหมายก็หมายความว่าเนี่ยมีมากไม่ได้แปลสุขมากมีมากอาจจะสุขน้อยก็ได้ เพราะโลกมันไม่ได้จริงมันไม่ได้เป็นไปตามหลักม ญ, ญันตยางหรือเลขคณิต